5 i languages. 55. a y a t a y d o การทางาน k e l a s a m a d u d u คุณทาอาชีพอะไรคะ Niwu yenu k e l a s a m a d tiri. สามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ นั่นน่ากัง ด, ดาวุธินิดาวัยดียรุดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมงนานู้อะไรกาลิกาดาดีากีเคลสมาดุตเตเนอีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญนอินุสวลปะสมัยเดลลีนาววิชรันทิเวตนาปะดยลิเดเวแต่ภาษีสูงมาก आ า र े त ि र ि ग े ग ริ त ुกกัลดูตั้มบาจัตตและข้าประกันสุขภาพก็สูง म ัตตูอาการวิเม่ดูบารีหนูอยากเป็นอะไรในอนาคตนีโนมุ nde เยนากัลดูเบยสุตติยหนูอยากเป็นวิศวกรนานูอิงเียรอาลูอิชเตน หนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนาโนวิศววิทยานิลยด ล, ลีวดลูบยสุเต เ, เนดิฉันเป็นพนัก ง, งานฝึกหดัดนาโนตระเบตีปะยุติเดเนดิฉันมีไรายได้ไม่มากนาโนเฮ จ, จุสัมปาดิสวูดิลล่ดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศ นาหนูโหรเดชดัลลีตรเบตีปารายุติดเดนนี่คือหัวหน้าของดิฉันเอวรูนันนาเมลาริขารีดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีนันนสห odayogi กลูวลลยอวรุ้เราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอนาวุ ปฏิมาดยานาแคนตินิเอโฮกุตเตเวดิฉันกำลังมองหางานนานูวันดูเคลสวันนูหูดุกุตติดเดเนดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้วนานูวนดูวัชชดินดนา n i r u ย y ก g i agid เดเนที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมาก อีเดชาดลลีตัมบานิรุยตย o g กรีละคุณาไปที่ w w w b o o k t o d e สาหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด